ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรจากมหาวิทายาลัยศรีปรถุมกำลังนำเสนอสันเลขสูตรหรือพระสูตรที่ว่าด้วยการขัดเกลาจิตหรือธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลาจิตเป็นการเริ่มต้นจากการกราบทูลถามของพระหมหาจุทธเทระ ซึ่งเป็นน้องของพระสาดีบุตรท่านได้กราบทูลว่าในโลกนี้มันมีทิจีก็ประเภทที่เรียกว่าอัตวาทะคือประรบตนกะโล ก, กวาทะประรบโลกหลังจากนั้นพูเจ้าก็ทรงแสดงว่า การที่คนไปคิดเห็นอย่างนั้นแต่ว่าเขาเกิดปัญญาที่ชอบตามความเป็นจริงก็จะเข้าใจว่าในแง่ของความจริงเนี่ยตาก็ดีโลกก็ดีมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่ตัวตนของเรามันถ้าเห็นได้อย่างนี้ การทิฐิเหล่านั้นการสลัดออกซึ่งทิฐิเหล่านั้นย่อมไม่ได้โดยอุบายอย่างนี้ประเด็นตรงนี้ถ้าหากว่าทั้งผู้ฟังได้มองย้อนกลับไปที่ น, นัตตลกันสูตรเราจเห็นว่าในอนัตตลกันสูตรเนี่ยทั้งปัญจวคีเดิมทีเดียวก่อนที่จะบรรลุมรรคผลเป็นประโสบบันท่านก็ฝังใจ ในเรื่องอัตวทะคือวาฏวาตัวตนเป็นสิ่งที่ถาวรยั่งยืนไม่แปรผันก็ยแยกตัวเองมาจากปรมาตมันสมัยนั้นก็เรียกว่าพรห ม, มันละก็มากลายเป็นสรรพชีวิตทั้งหลายตัวอัตตาหรืออัตมันก็ถูกขังอยู่ในกรงขังคือร่างกาย เพาเมื่อต้องการจะทำให้อัตตาเขาอิสระก็ต้องใช้วิธีทรมานร่างกายแต่ปัจจัยฝังใจอยู่ด้ดยไหนยะนี้มาตลอดพอพระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนวิธีในการแสวงหาพระสมาสัมพทธิญาณท่านก็หมดหวังเพราะลักษณะของความคิดที่ผูกโยมเนี่ย ความมันถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้จะไม่เป็นอย่างนี้เพราะการปุกโยงในลักษณะ น, น, นี้ก็คือว่าคนจะบรรลุมกษะคือหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จะเกิดขึ้นไดจากการทรมานร่างกายจนจิตเป็นอิสระจากกรงขังคือร่างกายเข้ารวมกับปรมาตมันแล้วก็ชื่อว่าเป็นมกษะ คือหลุดพ้นพระพุทธเจ้าจให้การประเพณเพียนทางจิตตันก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็หมดหวังแล้วก็ทิ้งพระพุทธเจ้าไปเพราะน้พระพุทธเจ้าจึงต้องทรงแสดงย้ำตอกย้ำในเรื่องอนัตตลกณสุดกระสุดที่ว่าด้วยความเป็นอนัตตาของขันทั้งห้า จนท่านขยยติดมาก่อนแต่ว่าจริงๆตอนนั้นท่นานก็ไมา่ยึดติดแล้วนะครับเพราะว่าฐานละสกายติทิได้แล้วแต่เป็นหลักการที่ทรงแสดงเหมือนกับธรรมนูนคือหมายความว่าเาจะหยิบเอาอะไรในส่วนของขันธาตุอายัตนาเนี่ยอาจจะขันี้อาจจะเอาอา จ, จะตนาสิบสองอาจจะธาตุสิบแปดอาจจะอินทรีย์ยี่สิบสอง หรือแม้แต่อรยรยสัตว์ทั้งสีเข้ามาวิเคราะห์โด<ล>ยมองเห็นว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราทีนี้พอแสดงในแนวขัดเกลาในที่นี้โดยเห็นว่าตามปกติแล้วเนี่ยธรรมะก็ขัดเกลากิเลสมาเรื่อยๆ แต่ทรงแสดงการขัดเกลาระดับสูงสุดเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเด็นที่ยกขึ้นมาเนี่ยคืออัตวาธากะกโลกวาฐะลูกใหญ่เลยพลธรรมะระดับของโลกีธรรมทั้งหลายนี่ขัดเกลวไม่ได้ขัดเกลวความยึดติดลักษณะอย่างนี้ไม่ได้เราลองสังเกตว่าแนวอันดรกายกับที่ที่สที่เป็น ข้อซึ่งพระเจ้าไม่ทรงพยากรณ์แต่ละข้อแต่ข้อนี่ก็เที่ยงกันจนทังทุกวันในยังหาข้อยุติไม่ได้โลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพอนนั้นเสิยอันนั้นชีพอันอื่นเจระอันอื่นสัตว์เบิงหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกย่อมเป็นอีกสัตว์เบิงหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกิดอีกย่อมไม่เป็นอีกสัตว์เบิงหน้าแต่ตายแล้วเกิดอีกก็หาไม่ได้ไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้ แล้วก็เฉียงกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นอัตามาตรรวิทยาคือมันปักใจอยู่ในแนวใดแนวหนึง่งแล้วก็ไม่ยอมผ่อนคลายการจะไปตอบเนี่ยใดแนวหนึง่งมันก็กลายเป็นฝักฝ่ายแล้วก็เฉียงกันต่อไป พันธะพเจ้าจะส่งตอบเนี่ยจะตอบในแง่ของกระบวนการของเหตุปัจจัยแล้วก็นิยามเรื่องชีพเรื่องสริระเรื่องโลกตัวนี้มันต่างกันเฉพาะคําแต่หนึ่งชีพอันนั้นสริระอันนั้นคำว่าชีพในที่นี้ก็หมายาถึงอัตตาก็คืออัตวัฏ มันเป็นนั่นเดียวกับตัวส ร, ระหรือว่าแยกต่างหากจากส ร, ระเพราะกลายเป็นความเห็นอย่างที่เคยบอกไว้ในวันก่อนว่าตนเป็นรูปรูปเป็นตน ต, น, ต, น, ตนมีในรูปรูปมีในตนแต่และกระแสความคิดมันก็เคยยึดติดกันอยู่อย่างเนี้ยเพราะในที่นี้ทรงแสดงถึงการขัดเกลาตัวอัตวาทะกับโลกวัทะก็ดูแล้วก็ ร้ายๆ ก, กับเป็นเรื่องที่ยากเพราะระดับที่เราปฏิบัติเนี่ยมันยังไม่ชื่อว่าเป็นสันเลขาจริงๆคือยังไม่ชื่อว่าขัดเกลาจริงๆเพราะว่าอันชักขเยอะกันอยู่ขึ้นๆลงๆผีข้าวผีออกอยู่พระ็งรงรับสั่งถึงสมาบัแปรเรียงไปโดยลำดับนะฮะพรลูก่อนจุนทะ ก็ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้แลที่ภิกษุหลางรูปในธรรมินไย น, นี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรุ ป, ปรถมฌานมีปิติวิตกมีวิตกวิจารณ์ปิติสุเกิดแต่วิเวกอยู่ภิกษุนั้นจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราย่อมอยู่ด้วยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสด้วยก่อนจุนทะ แต่ธรรมคือปฐมวิชานี้ตถาคตไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากีเลหคือไม่ใช่สันเลขธรรมที่แท้จริงในประเด็นนี้พูดถึงสันเลขธรรมตามความหมายในประสูนยนี้เพราะประเด็นที่ท่านยกขึ้นมาก็คืออัตวาัาะกาโลกวาวัหคือการทำความเข้าใจกับธรรมะเนี่ยมันต้องมองประเด็นหัวข้อ อยู่ข้อที่ยกขึ้นมาตรงนี้พูดกันระดับนี้นะมันก็คล้ายๆกับพรกรนั่นแหละเขาใช้คําว่าสถานการณ์ฉุกเฉินคือใช้ในกรณีที่สถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นใช้ในกรณีอื่นไม่ได้พอแต่เราเข้าใจแล้วไม่จําเป็นจะต้องเชียงเลยแต่ทุกวันก็ยังมีภาควิจารณ์อยู่ทุกฟัน เพราะเราคิดอย่างที่เราคิดเราไม่กข้ใจถึงหัวข้อเนี่ยมันจะมีความสำคัญมากมันบ่งบอกทั้งหมดเนี่ยมันต้องกลับเข้าไปข้างบนคือมองในส่วนบนของเขาวันในคกนี้นี่ก็พูดเรื่องอะไรกันเนี่ยเขาพูดเรื่องสถานาการณ์ฉุกเฉินวิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในสถานาการณ์ฉุกเฉินถามว่าไม่ฉุกเฉินใช้ได้ไม่ใช้ไม่ได้ ใช้ก็ผิดเอามาใช้ที่กรุงเทพได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะในการที่ว่าฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินเมื่อต้องประกาศเป็นจุดเป็นจุดไปมันก็คล้ายๆกับประกาศภาวะฉุกเฉินมันก็มีกรอบที่ชัดเจนนะฮะสถานการณ์ชัดเจนสถานการณ์ต้องฉุกเฉินก่อนจึงประกาศว่าสถานการณ์ฉุกเฉิน มันก็เหมือนกันอะไรฮะเหมือนกับคนต้นก่อนแล้วก็เ ร, เรียกว่าเป็นโจรคนฆ่าเขาก่อนเราจึงเรียกว่าเป็นฆาตกรคนขอรับชันก่อนเราเรียกว่าขอรับชันมันเป็นกระบวนการของกรรมธรรมดามากๆเลยแต่บ้านเราไม่ค่อยธรรมดาทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามพวกรู้ก่อนเรียนยเยอะแล้วก็พูดด้วยความริษยาคือเราจะเห็นว่า ที่พระเจ้าทรงแสดงวิวาทะวะอะไรวิวาทมูลเนี่ยคือรากงาของการก่อการทะเละวิบาทเรื่องความโกรธโกตโนโความโกรธอุปนาฮีคือผูกโกรธบาราศีคือแข็งดีอิสุกีคือเรณีมายาวีคือมารยา แล้วก็มัชชรีคือเตอคือตนีนะฮะมัชชรีคือตนีมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรเผื่อปัญหาใหญ่เนี่ยที่จริงถ้าเราเข้าใจนะเข้าใจตามพุทธธรรมทุกอย่างล้วนเป็นมาจากสมุทัยเพราะมันเป็นทุกข์ เราเป็นทุกก็ต้องมาจากสมุทยัยมาจากอื่นไม่ได้ครเพียงแต่เราสาวไม่เลิกเองความขัดแย้งต่างๆที่ยิ่งมันก็มาจากสมุทยัยมาจากโกรธความผูกกตการแข่งดีอันตน์ณีเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะก็มองกันไปเป็นกรณีกรณีไปในกรณีนี้เป็นการพูดถึงสันเลขค่ะ คือขัดเกลาอัตวาทะกับโลกาวาทะคืออย่าลืมว่าพวกขัดเกลานี้มันต้องด้วยอริยมรรคฐานเด็ก อ, อย่างอื่นไปขัดเกลามันไม่ได้พูดเรื่องใหญ่ลึกเอียดที่จริงพวกชาเนี่ยขัดกกเกลาเกเรตเยอะนะแต่มันขัดยากได้ระดับนิวรณ์แต่พวกนี้มันอย่างที่บอกว่ามันถึงจุดหนึ่งมันเป็นพิธิ เกิดเป็นความเห็นสามระดับระดับหนึ่งเป็นสัญญาระดับหนึ่งเป็นความคิดระดับหนึ่งเป็นชิติเขาเรียกว่าอันตรสัญญานะการจําหมายว่าเป็นตัวเป็นตนทีนี้บางทีเนี่ยมันเป็นความคิดแต ป, ปักใจแหละแล้วลาดเคลื่อนจาความจรงิงเขาเรียกว่าจิตตวิปัลักความคิดมันคลาดเคลื่อน แต่ระดับที่ว่าเนี่ยคือชิดชิวิปลาดคือความเห็นที่กระเคลื่อนจากความจริงเพราะนัคนจะแก้เขาได้เนี่ยก็คือโนแหละไปโสดาบันเขียนไปโสดาปฏิมาไดนจึงแก้ได้ตอนทีรับสั่งว่าเราจะถาคตไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขัดกล่าวกิเลสในวินัยของพระริยะ แต่เราตถาคตกล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในอัตภาพนี้คือพวกชาเนี่ยเขาเรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารหมายความเราต้องเข้าชาแนก่อนนะต้องเข้าชาได้ชาแล้วก็อยู่ในชาแล้วก็เป็นสุขแต่วอาจากชาเนี่ยว่าเสื่อมนะฮะชาเนี่ยบอกจากชามันเสื่อมพนะันธะเราจริงจริงเนี่ย ธรรมะปฏิบัติที่เรามีเมตเาตมาเป็นฐานจิตตลอดหรือมีศรัทธาเป็นฐานจิตตลอดมีปัญญาเป็นฐานจิตอยู่ตลอดเนี่ยดีกว่าพวกฌานเยอะเลยเพระาะฌานเนี่ยไม่แน่เวลาแกเสื่อมเนี่ยกรหกก็เมนตีลังกาลงมาเลยอย่าไม่เคยเล่าเรื่องอิสิปตนะที่แปลว่าฤาษีล่นนะฮะฤาษีตกเพระาะฌานเนเสื่อม แต่เป็นทิฏฐรพมมสุขกวิหารเข้าฌานแล้วอยู่เป็นสุขอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตุติยฌานกับตติยฌานเด่นที่สุดยังคือตุติยฌานเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีปีติมันมีสุขเอก ก, ะกะตาที่โดดเด่นมากแต่พอถึงตติยฌานเนี่ยปีติมันสงบ ม, มันเหลือแต่สุขกับเอกะ ก, ะกะตา เลยอาการของของสุขมันไม่เด่นคือสุขกับปิติเนี่ยเข า, เข า, เ, ขาเขาต้องเสริมกันนะ เ, เรว่าสุขส ม, มันัดรู้สึกส ม, มันนัดแต่ว่าอย่าลืมว่าทุงนี้ที่จริงเป็นทางผ่านมั้นขัดเกลาแต่ว่าไม่ใช่ขัดเกลาระดับที่กำลังพูดถึง คือเราต้องจับประเด็นได้ไดนะไม่ไมั่จ่เอาไปพูดว่าเออไม่ใช่เครื่องขัดเกลาปันขัดเกลาแต่ว่าไม่ใช่ขัดเกลาระดับในประเด็นที่กำลังพูดถึงซึ่งขึ้นต้นด้วยอัตวาทะกัลโลกวาทะบางครั้งบางคราวเนี่ยเราเราเรียกว่าหลงประเด็นคือจับประเด็นไม่ได้บางครั้งบางคราวเนี่ยอย่างที่บอกอย่ที่เคยเล่าให้ฟังว่า ไอหนุ่มคนหนึ่งพ่อเขาบอกคือมันละเมิดศีลเยอะเลยศีลครบห้าข้ อ, อ, ข อ, ขอนี่แกละเมิดทุกวันพ่อก็ห้ามปรามบตะเตืนอนยังไงแกก็ไม่ฟังพ่อก็บอกเออแกไปวัดจะบ้ า, บางไปฟังพระเทศจะบ้ า, บางไอหนุ่มไม่ถึงก็ออกฟังพอดีเลยจังหวะตรงนี้พอดี การฆ่าสัตว์ก็ดีการลักทรัพย์ก็ดีการประพฤติผิดในการก็ดีแกได้สามดีแกวิ่งกลับบ้านเลยแล้วก็บอกพ่อว่าพ่อพ่ อ, พอที่ผมทําในพระธรรมดีทั้งนั้นเนี่ยอันนี้คือฟังไม่ได้สับแล้วก็จับไปกระเดียดโดยไม่ได้ดูส่วนหัวก็ขาพูดเรื่องอะไรแล้วตอนปลายเนี่ยจบลงที่ไหนเนี่ยมันไม่ได้ฟัง เปฟังเฉพาะ ต, ตรงกลางคือตัดตอนแต่ตอนฟังเอาต่อไปก็ทรงแสดงว่าทุติยชาญก็ไม่ใช่สเลกธรรมอันนึงข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือคืออย่าลืมนะว่าสมัยนั้นแะพวกนี้เขาถือว่านิพานหมดนะฮะเขาเรียกว่าสันทิติกังนิพานหนังนิพานเห็นได้ในขณะนั้นนั้นพอรูปะชารูปะชาณเนี่ยมันมีความเชื่อว่าเป็นนิพาน อย่างท่านอาลาดาบทการามโคตแต่ท่านเชื่อว่าอากินยัญญายัตนาชาญซึ่งเป็นรูปชาญที่ที่สามนะว่าเป็นนิพพานท่านก็อยู่ตรงนั้นอุทากาดาบทขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเป็นเนวสัญญานะสัญญายัตนาชาิแล้วท่านก็ปักใจขวางใจท่านก็ติดอยู่ตรงนั้นแต่พอพระโพธิสัตว์ท่านศึกษาเนี่ยท่านบอกไม่ใช่มันเป็นจิตที่สงบ ในขณะที่เข้ า, าจาจเฉยๆแต่พอออกจากกานไปรับอารมณ์กิเลสมันฟูขึ้นเหมือนเดิมมันไม่ได้ลากกิเลสได้ขาดเพราะนิรงอยู่ไม่ยอมอยู่ไม่ยอมหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่ในจัตสรู้อย่างนี้ทราบกันแต่สิ่งเหล่านี้สมถสามัญชนแล้วก็สัมผัสยากกันนะ ท่านอธิบายทรงอธิบายว่าที่ภิกษุลางรูปในพระธรรมอินทร์นี้พึงมรู้ทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์และวิตกเพราะวิตกวิจารส ง, งบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ภิกษุนั้นจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราย่อมอยู่ด้วยธรรมเพื่อกัดกราวกิเลสดูก่อนจุดะ แต่ธรคือทุติยฌานเราตถาคตไม่กล่าวว่าเป็นสันเลกระทธรรมในพระวินัยของพระอริยะนี้เราตถาคตไม่กล่าวว่าเป็นสันเลกระทธรรมในพระธรรมพระวินัยนะพระธรรมวินัยของพระอริยะแต่เราตถาคตกล่าวว่าเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารในวินัยของพระอริยเราอย่าลืมว่าพวกนี้เขามีอยู่ก่อนพุทธกาลนะ พระโพธิสัตว์ท่านบรรลุในสักถังอรลา่ล า, ลาบทกาลามโคตรุตกาดาบทราบบทครบทั้งแปดนะแต่ว่าตรงเห็นว่ามันไม่เจ่ทางมันเป็นการสยบกิเลสไว้องต้องการตัดตัดขาดหรืออานวรรคญาณหรือกหาน ย, ยังไม่เจอก็เปลี่ยนวิธีการแต่สุดก็ก็ที่จริงเวลาตอนจดสรู้กก็มาเดินตรงนี้แหละ เพียงแต่ว่าไปแยกที่จะตุทะฌานเมื่อพัฒนาพระไทยไปอยู่จิวเบคขากับเอกอากาตาแล้วก็ยกจิตขึ้นสภาพจิตตรงนั้นส่งใช้คำว่าเรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้องไปเพื่อรู้ความรู้ก็ผุดขึ้นก็ทําให้บรรลุะยานทั้งสามประการเนี่ยที่เราทราบกันทีนี้ในตติยฌานเนี่ย คือชันที่สามยิ้มระดีขึ้นก็มีตินี้กะดับยังเหลือแต่สุขกับเอกกตตาเอกกตตาคือสมาธินะฮะแต่ในที่นี้เรียกว่าเอกกตตาแต่ยิ่งในพระบาลีพุทธวจนะเราจะเห็นว่าทรงใช้คำว่าสมาธิ เป็นผู้มีเบิกขามีสติอยู่เป็นสุขพิสุนั้นทจะเพิ่งคิดอย่างนี้ว่าเราย่อมอยู่ด้วยทำเครื่องขัดเกลากิเลสดุก่อนจุนทะแต่ธรรมคือตติยฌานนี้เราตถาคตไม่กล่าวว่าเป็นสันเหลขัดธรรมในวินัยของประริยะแต่เราตถาคตกล่าวว่าเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรมในวินัยของพริยะเพราะประข้อที่สี่ยงกับไงแก แต่ว่าให้รู้ว่าในฌานทั้งสี่เนี่ยมันสงบในวอด อ, องคฌานจริงๆมันมีห้านะององฌานนี่ก็มีห้าเป็นเป็นเป็นการเรียงที่แปลกคือตามปกติแล้วเราจะเห็นอะไรเจนสีนสมาธิปัญญาเนี่ยแสดงปรับกบโรคปดลงแหะแต่พอมาถึงองคฌานเนี่ยไม่ใช่องคฌานก็เกิดไปตามลำดำับ แล้วก็นิวรณ์เนี่ยเป็นการเรียงไปตามลําดับลําดับของโลกโกรลงแต่ชานเนี่ยเขาเกิดตามสภาพจิตติมันอย่างเข้าสู่ความสน ง, งบผลวิตกเป็นตัวส ง, งบถีนิมิตะนิวรณ์ซึ่งเป็นข้อที่สามวิจารณ์ส ง, งบปิจิจิฌานิวรณ์ซึ่งเป็นข้อที่ห้าปิติส ง, งบพยาบาทซึ่งเป็นข้อที่สองสุ ส ง, งบปุถะจกักรกุจัะคือความพุ่งสร้างทำการจะเป็นข้อที่สี่แล้วก็สมาธิรูเบขาเนี่ยไปส ง, งบที่ตัวกายฉันคือจิตที่กำหนัดเดิมหนัดความใคราในสิ่งที่จิตตัวเองไปกำหนดว่าหน้าใค ร, คราก็เลย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่มันหน้าใคราเนี่ยเพราะจิตเราไปกำหนดว่าหน้าใครายเราคิดเราเองเนะเราคิดเราเองใกล้ๆกับเรา นึกถึงส้มเปรียปร้ยวแล้วก็ําหลายสอขึ้นมาเองแล้วแสดงว่าเราชอบเราเคยสัมผัสก็เกิดอยากรับประทานเข้ามาไอ้เปรียปร้ยวๆเนี่ยก็ธรรมชาติของของร่างกายมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เราตอนคิดถึงน้ําบานเนี่ยน้ำลายไม่สอแต่ท่านคิดถึงเปรี้ยวน้ำลายจะสอนั้นก็แสดงว่าเราคิดเราเองถามเป็นอย่างนั้นทุกคนไหมมันก็ไม่ทุกคนครับ คือคนบางคนจะเขาไม่เคยกินมาเนี่ยเขาก็ไม่น้ำลายก็ไม่สอนตัวนี้มันต้องอยู่ที่จิตก่อนในจตุติฌานเนี่ยรับสั่งอย่างเดียวกันเพียงแต่สภาพจิตมันเปลี่ยนรับสั่งว่าอันหนึ่งข้อ น, นี้เป็นฐานะที่จะมีได้แล้วที่พภิกษุล่างรูปในพระธรรมใ น, นนี้ถึงบนรลุจตุติฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุข คือทุกขกสุขนี่มันไม่เด่นเพราะละสุขกัละทุกเสียได้ดับโสมนัตโทมนัตเก่าก่อนได้เพราะจิตยังมีอุเบกขาอุเบกขาเป็นปัญญานะครับอุเบกขาเป็นปัญญาเราจะเห็นว่าสุขทุกเนี่ยมันเป็นเวทนาสุขทุกเป็นเวทนาเป็นอะไรในขันนะเป็นอยู่ในทุกขขันนะ่ะ อยู่ในอุปาทานอาคารแต่ว่าพวกอุบเบกขาเนี่ยมันอยู่ในภูมิหารอยู่ในอริยมรรคนะฮะอยู่ในสมาธิแล้วก็เ อ, อกกตาก็เป็นสมาธิเ พ, พราะนั้นพวนี้ก็จึงจึงไปละทุกระดับหนึ่งระดับโทสุขโสมนันสแต่โสมนัสก็กนะ็เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์ระดับหนึ่ง เขาเรียกว่าทุกที่ลดเพราะในแง่ของความเป็นโลกจริงๆมันไม่มีสุขเป็นการพูดถึงทุกขที่ลดลงคลายๆายกับโลกเนี่ยมันไม่มีความเย็นมันมีแต่ร้อนเลยจุดเยือกแข็งไปแล้วเขาเรียกอุณหภูมิลดอุณหภูมิเนี่ยคือความร้อนมันลดเขาไม่ได้บอกความเย็นนะ ไม่มีเครื่องวัดความเย็นแต่วัดความร้อนแต่การในความร้อนลดเนี่ยบอกให้เห็นในความเย็นเลยจุดยืดแข็งไปแล้วอย่างเป็นรอนนะ้อนลดอ่ะยังไม่ใช่เย็นอยู่นั่นคือความจริงเพราะงั้นในแง่ของสมมติบัญญัติเนี่ยมันก็ถือว่ามีได้ก็เป็นการปรุงแต่งเอเป็นการยึดติดดาวกาหนดเอา แกไ้ๆอร่อยเนี่ยี่จริงมันไม่มีแต่ว่าเรากำหนดเอาว่าอร่อยสำหรับเราอะาลองสังเกต ด, ดูเถอะไรที่เราอร่อยแล้วก็ให้คนอื่นชิมดูอันไม่มีใครว่าอร่อยทุกคนเพราะจริงมันอยู่ที่จิตสะสมเชื่อตรงนี้ไว้แล้วกำหนดเอาโดยจิตของเขาเองมันก็อร่อยสำหรับเขา เพราะในเงี้ยจริงๆรูปสวยเสียงไพเราะกลินหอมรสอรอยสัมผัสน่าจะต้องจริงๆมันไม่มีอยู่ในโลกมันเป็นเพียงมารยาจิตรุงจิตเก็บสะสมเอาไว้แล้วก็ปรุงให้เอาสังเกตว่าอะไรล่ะที่ก็ประกวดนา ง, งานจั ก, กราวาลเถียงกันทุกปีตัดสินประกาศไปแล้วก็มีพวกกลุ่มมาเห็นด้วยก็ด่าทอทุกปี ประกวดไปเถอะไม่มีอะที่ว่ามาติเป็นเอกสารไม่มีเพราะอะไรพระจริงๆไอ้ความงามที่เป็นสากลมันไม่มีมันงามเพราะจิตเป็นปรุงเอาก็แล้วแต่ใครจะปรุงทีนี้การปรุงเนี่ยมาจากการเสพจนคุ้นของคนเหล่า น, นั้นแล้วเราเห็นว่าความร่มเอียงทางววัฒธรรมมเองนางงามจักรวาลถ้าเป็นไทยแล้วมันค่อนข้างลูกครึ่ง เพราะว่ากรรมการเป็นผรังกรรมการเป็นครังมันสะสมความงามแบบฝรังไว้ในจิตมันเยอะเพราะวาเวลาธอวิจิตรยเนี่ยเธอก็ตัดสินแบบฝรังแล้วก็สังคมไทยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสะสมความคิดความงามแบบแขกเรา อ, อนวรรณกดีของพระพุทธศาสนาบรรยายความงามทั้งหลายลองความงามของใครก็ตามนะฮะ โดยการความงามในอุดมคติของแขกของอินเดียฮไม่ว่านางบุษบาซึ่งที่จริงก็เป็นอินโดนีเซียแต่พอบรรณาความงามแล้วก็เหมือนกับแขกแม้นางเนี่ยนางพิมพ์พิราลัยเนี่ยลองไปอ่านคําบรรยา ย, ายก็นดลยคล้ายๆกับนางสีดานนางสีดาก็เป็นอินเดียก็กก็็กกใช่แต่ว่านางพิมพิราลัยมันไม่ใช่มันไทยอะ ทำไมความงามไปแบบแค่์นั่นก็คือการเก็บการสะสมแล้วก็เป็นอุปาทานแล้วก็ยึดติดอแล้วเราก็ไม่เคยสเก็ตภาพออกมาไอ้ที่สวยจริงนะมไอที่ว่าเนี่ยจมูกอย่างงั้นปากอย่างงั้นคิ้วอย่างงั้นตาอย่างงั้นใบหน้าอย่างงั้นหูอย่างงั้นใดต่อใดเราเราพูดเราเขียนดูหรือเปล่าเราไม่เคยเคยทดลองเขียนดูนะ นี่ก็คือเรื่องแปลกแต่จริงแล้วก็กลายเป็นเรื่องของตนาุปาทานเพราะตรง น, นี้ให้ลองสังเกตว่าส่วนก็เวทนาก็สงบแต่ส่วนาาก็มรรคก็จะเด่นผลมรรคต่ก็จะเด่นก็บอกว่ามีบัคเบคขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ สติก็เป็นสมาสตินะอุเบขาเป็นสมาสมาธิภิกษุนั้นจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราย่อมอยู่ด้วยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสดูก่อนชนทะแต่ธรรมคือจตุตชารนีเราตถาคตไม่กล่าวว่าเป็นสันเลขาธรรมในวิัยของพระรยิยะแต่เราตถาคตกล่าวว่าเป็นทิฏฐธรรมสุกวิหารในวิัยของพระรยิยะ รเราเห็นว่าพระพุทธลํรรรัตเนี่ยจะจัดซ้ำแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นนิปรยายหมายความว่าเวลาแสดงเรื่องชาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทุกทีแล้วใครถ้าบรรลุฌานจริงเนี่ยก็จะเจออย่างนี้คนที่บำเพ็ญเพียรทางจิตไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด คือมันจะลงกันที่ตัวฌานซึ่งในสัมผัสถ้าไม่ตรงกันก็ถือว่าเป็นมิจฉาฌานเป็นฌานที่ผิดเป็นมิจฉาสมาธินะคือสมาธิที่ผิดทีนี้ต่อไปก็ส่งแสดงอาการสารบจายะตระนะคือคือท่างฟังลองสังเกตว่าอาธาต์เดี๋ยมันมีหกมีหกกินน้ำลงไฟอากาศวิญญาณ แต่ว่าตอนต้นๆพระย่อจะแสดงแค่ธาตุสีเท่านั้นเองอากาศาธาตุกับวิญญาณใธาตุจิตไม่นิ่งจิตไม่ส ง, งบเห็นไม่ได้โอ้ พ, พูดได้นะแต่เราไปเห็นไม่ได้พรคนพวดนี้มาศึกษาทำความรู้จั ก, กอากาศาธาตุเมื่อขึ้นมาถึงเจตุตชาลและจิตยังเหลืออุเบขากับเอกคต า, าอุเบขาเป็นปัญญาเอกกตตาเป็นสมาธิ พอเราดูในส่วนของอริมักเราจะเห็นว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสมาสมาธิธก็สามข้อหลังเนี่ยเขาก็เข้มข้นขึ้นเยอะนะเดแต่ไม่ใช่หมดหรอกไม่ใช่สมบูรณ์เพราะว่าถ้าสมบูรณ์แล้วมันไม่กลัเรื่องหรอกพวกฌานเนี่ยมันเลยเสื่อมได้เพราะว่าเขาไม่สมบูรณ์นะมันเป็นสยก เขาเรียกว่าเป็นวิคำพนันะวิมุตต์คือวิขำพนะป่าหารคือละได้แบบศิลาทัพยาแต่เอเสือลำแพนมาปูที่สนามหญ้ามันก็เห็นแต่เสือลำแพนไม่เห็นหญ้าแต่หญ้ายังอยู่สมบูรณ์นะข้างล่างเนี่ยคนัวนี้เวลาเ็าแข่งแล้วเขาเขาหน้าดูอะพิยสิบอกหกกะเมนตีลังกาลงไปเลย มีเยอะนะฮะฤาษีก็ไล่โกดยังพังเลยโดนผู้หญิงไปโยโยนเข้ามหมาฤาษีใหญ่นะฮะก็ไลโกดเนี่ยยังพังเลยเขาได้สมาบัติเนี้ยครบพระนริศงสแสดงสภาพจิตเนี่ยว่าของอากาศสารนันจาจตนาคือเพ่งอากาศว่านันโตอากาศโซอากาศหาที่สุดไม่ได้อากาศหาที่สุดไม่ได้ก็ดูจนเห็นจริง จิตเป็นสัมผัสนะจิตเห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนาการที่ปรากฏแก่กจิตเนี่ยกระรับสั่งแสดงว่าดุก่อนจุนท่าข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้แลที่ภิกษุลางรูปในประธรรมีนในนี้พึงบรรลุอากาศสารัญจายตนะชาญโดยมรัสิการว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุด เขารั้งแรกกับบริกรรนะกับบริการไปเรอยอนันตัวกาสุอนันตัวกาสอนันตัวกาสจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเพราะจิตทั้งสงบมาเยอะแล้วนะมันจะเพราะล่วงรู ป, ปรสัญญาไปคือการกำหนดรูปโดยเช่นว่าสมถกรรมฐานที่เราปฏิบัติยกเว้นอรูปอรูปกรรมฐานนะมันก็ส่วนใหญ่ก็จะไปหนักที่รูป พระเจนว่าแม้แต่พุทธานุติเอาก็จริงเราก็ไปติดที่องค์พระพุทธเจ้าอนาปารติดูละเอียดแต่ก็จริงก็ลมก็เป็นรูปนะฮะเพราะนั้นที่เด่นชัดจริงๆก็คือมาตรงนี้ที่จริงอากาศนี่ยังเป็นรูปอยู่นะอากาศยังเป็นรูปอยู่ก็แล้วก็ดับปฏิคัตสัญญาคือรู ป, ปรสัญญากำหนดว่าเป็นรูปปฏิคัตสัญญา คือกำหนดเราไม่ไม่น่าใครไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจไม่มานศสิการนานัตตสัญญาคือการกำหนดหมายความแตกต่างของอัตาตาัตาโดยประการทั้งปวงเราไม่ใช่เล่นนะตอนนี้ที่จริงจิตไม่ใช่เล่นนะขึ้นไปสูง พิสูจนนั้นจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราย่อมอยู่ด้วยธรรมเครื่องกับเรากีเดตุกอรยุทธาแต่ธรรมคืออาการสารนันจาญาตนาชา น, นี้เราต ถ, ถาคตไปกล่าวว่าเป็นสันเลขะในธรรมวินัยของพระริยะเราต ถ, ถาคตกล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่สงบระงับสันติวิหารธรรมให้เราสังเกตนะ เราลองสังเกตว่าพวกรูปประชาเนี่ยทรงใช้คำว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารแต่ว่าตรงนี้มันเป็นสันติมันเป็นสงบเพราะอะไรเพราะรู้สึกมันไม่ค่อยชืย่อตื่ตัวตัวเน่มันมันไม่ใครแก่ไม่มีผู้สวยละใจมันโน้มเอียงไปเยอะต่อไปวิญ ญ, ญาณัญจายตนะก็คือเพ่งดูวิญ ญ, ญาณ อ น, นันตังวิญญาณังอนันโตอักษรอวนนี้นาานเป็นเป็นเรื่องลิงนะฮะเป็นลิงคือว่าอ น, นันโตนี่ก็แสดงว่าปุงลิงคือเพศ ช, ชายอ น, นันตังก็แสดงเป็นหนปุงสักกลิงคือเพศเพศไม่หญิงไม่ชายก็บอกอ น, นันตังวิญญาณังวิญญาณหาที่สิ้นสุดไม่ได้แล้วจิตเตเนตยังงั้นจริงๆผลขก็ความเต็มในรับสั่งว่า อนหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่จะพึงมีได้แลที่ภิกษุลางรูปในพระธรรมใ น, นนี้พึงล่วงเลยอาการสานัญจายตนะฌานไปโดยประการทั้งปวงแล้วมนสิการว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดพึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานอยู่ภิกษุนั้นจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราย่อม บ, บู ด, ด้วยทมเครื่องขัดเกลาอกิเลส วิญญาณนี่เป็นนามนะฮะวิญญาณเป็นวิญญาณเป็นนา ม, นะญญานนามก็ดูไม่ใช่จิตจิตดูจิตะจิตเห็นจิตอะก็ดูไม่ใช่ง่ายแต่ธรรมคือวิญญาณัญญาญตนะนี้เราตถาคตไม่กล่าวว่าเป็นสันเลกธรรมในวินัยของพระรยะแต่เราตถาคตกล่าวว่าเป็นสันติวิหารธรรมมันสงบเป็นธรรมะเครื่องอยู่เป็น อย่างสงบมันไม่เย็สุขเพราะไม่มีสุขให้สวยสุขมันดับไปตั้งนานแล้วคือคือไม่มีการสวยสุขมันเป็นความละเมียดละไมลึกซึ้งของจิตลงไปโดยลําดับพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยไอตัวอัตตาเนี่ยมันย่อยจนจนจนมีอยู่เพียงเล็กน้อยแต่นั้นเองในความรู้สึกของท่าน เขาก็รับสั่งข้อความเต็มว่าอันหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ที่ภิกษุลางรูปในประธรรมิ น, น, นัยนี้พึงล่วงเลยวิญญาณัญจายาตนาชาญไปโดยประการทั้งปวงแล้วมารศิการว่าไม่มีอะไรเหลือสักน้อยหนึ่งพึงบรรลุอากินจัญญายาตนาชาญอยู่ พิสุดนนั้นเพิ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าเราย่อมอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาขีเลหดูก่อนจุดทะเหมือนเหมือนเดิมนะฮะก็คือไม่ใช่แต่มันเป็นสันติญารธรรมมาถึงข้อที่สี่เรื่องใหญ่ข้อที่สี่ก็คือเนวสัญญานาสัญญาญัตนะตรงนี้ที่จริงมันมันถือว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่เชิงคล้ายๆกับท่านอุปมาเหมือนกับ ถ้าเราล้างบาตรนะครล้างบาตรเทน้ําหมดเอสะบัดบาตถ้าเราถามว่าน้ําในบาตมีไหมจะบอกว่าไม่มีมันก็ไม่ได้เพราะมันยังเปียกการเปียกเนี่ยก็หมายความแบบมีน้ําแต่เราบอกว่ามีก็ไม่ได้นะเพราะเอามาดื่มไม่ได้พร้อจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่คือจะบัญญัติลงไปตรงๆว่ามีน้ําหรือไม่มีน้ําถ้าถามว่าเปียกหรือไม่เปียกมั น, ม, น, ม, นมันตอบได้ แต่ถามว่ามีน้ำหรือไม่มีน้ำเนี่ยตอบไม่ได้เพระาะไ อ, าอาการที่มีเปียกอยู่เนี่ยก็แสดงว่ามีน้ำแต่ก็เพิ่ง ม, มาขอดื่มหน่อยมันก็ไม่มีให้ดื่มอันนี้ก็คือลักษณะที่เข้าถึงเราเห็นว่ามันถอ น, นอัตตาสัญญากบโลกสัญญาออกอัตตวาทะกโลกอวัทะออกไปเยอะนะฮะแต่จริงๆกิเลสมันสยบคือจะสยบ ก, กิเลสเฉยๆ รับสั่งว่าอันหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้แลที่พิสุลางรูปในพระธรรมิน น, นี้พึงล่วงอากินจัญญาจตนาชาญไปโดยประการทั้งปวงและพึงบรรลุในวสัญญานาะสัญญาจตนาชาญอยู่พิสุนั้นพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราย่อมอยู่ด้วยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสดูก่อนยุดธะ แต่ธรรคือเนวสัญญาณนะสัญญ า, า, าญาณฉานนี้เราตถาคตไม่กล่าวว่าเป็นสันเลขธรรมในวินัยของไระยะแต่ก็กล่าวว่าเป็นสันติวิหารธรรมคือธรรมะเครื่องอยู่อย่างสงบไม่ใช่สุขนะฮะคือสงบเพราะในรูปฉานเนี่ยมันจะเป็นสันติวิหารธรรมแต่รูปฉานเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารคือการอยู่เป็นสุขเพราะมีสุขให้สวย แต่พอถึงนี้มันมันไม่มีไม่มีการ ส, สุเอซุบแล้วก็ตัวตนเองที่เรียกว่าเป็นผู้สวยเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าไม่มีหรือมีอยู่เองเล็นกน้อยแต่นั้นเองเพอลองสังเกตว่าเอาในภาคที่เราปฏิบัติได้อ่นะเราไปที่ไหนก็ตามให้อัตราเราเล็กลงให้เรารู้สึกว่าใหญ่น้อยลงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็ได้อนะ่ะ กินอะไรก็ได้นั่งที่ไหนก็ได้แล้วไม่รู้สึกว่าแปลกอะไรขเขาเลี้ยงน้ำาก็ส่งน้ำใส่ขวดแล้วหลอดใส่มาให้ก็ก็ไม่เห็นเป็นไรมันก็คือน้ำสิำเกตมีอาสนะไม่มีอาสนะมีพรมหรือไม่มีมีหมอนอีกหรือไม่ไม่ได้เกี่ยวเลยเลยแต่ว่าถ้าอัตตาเราเคืองในโอมันไม่ได้มันไม่สมงบ ใจจะไม่สงบแล้วอาจจะรู้สึกเจ็บใจเลยทําไปอาจจะรู้สึกจเจ็บใจที่ว่ารู้สึกว่าเกียรติเรามันต้องสูงพอไปเจอตัวนั้นปรากฏว่าเล็กไปจห้เห็นว่าอย่างอย่างอามายัางมองชื่นชมนะว่าแต่รัฐบาลหลายยุคมาแล้วที่ไม่ยอมให้เรียกพระนะท่าน เรียกคุณเรียกนายเรียกอะไรแต่ไหนไปแต่ว่าบางทีหนังสือพิมพ์ก็กล่าวเ้านะฮะอย่างเรียกท่านนายกว่าแมวนี่มันก็เกินไปไม่ใช่เพื่อนเล่นเนี่ยคือก็เป็นโดยพระบรมราชองค์การเป็นการสมมติบัญญัติเราเอามาพูดเล่นไม่ได้มันเป็นชื่อเขาเล่นกันในหมู่เพื่อนเราไม่ใช่เพื่อนคนนี้ได้รับการพระบรมราชอง์การโปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อมให้เป็นนายกรัฐมนตรีเราต้องเรียกท่านเต็มที่เรียกท่านนายกเต็มที่ มันคือสังคมเราเนี่ยถ้าในความเป็นสังคมถ้าไม่ยอมรับสมมติสัจจะเนี่ยมันก็ยุ่งไงเพราะสมมุติคือสมมตุติแต่ว่าคนที่ถูกสมมติเนี่ยอยากเกิดอหางการมามังการให้มากเดีย๋ยวมันจะต่างกันหมายความว่าถ้าเรารับสมมุติเนี่ยแสดงว่าเราเป็นมีวุฒิภาวะมากพอรู้อะไรเป็นอะไร ปฏิบัติอย่างไงที่เหมาะสมเวลนี้คุณเล่นละครน่ะบทของคุณเป็นตัวโกงบทของคุณเป็นพระเอกบทของคุณเป็นนางเอกคุณเล่นได้ดีก็แล้วกันแต่ว่าคนที่แสดงเนี่ยเมื่อจบก็คือจบแต่เราดูเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเขาเป็นนั้นนะเวเรียเขาเป็นนั่นนหะถ้าเราไปคิดว่ามันเป็นสมมติบัญญัติดาวแล้วจะไม่สนุก อย่าไม่รู้สึกเพื่อนๆ อ, อะไรเลยเพราะฉะนั้นอย่าดูดีกว่าโลกมันมีสมมติบัญญัติเรียกกันโลกบัญญัติโลกกับสมัญญาโลกกับนิรโลกกับภาษาโล ก, กโวหารแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงในส่วนนี้ถ้าฟังตั้งหลาเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปฐุมในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาคือตอนนี้ที่ส่วนนี้ขอความเจริญงอกงามไพ่บูรณ์ในธรรม จึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี